มีญาติโยมต่างถิน่นมาเห็นพระการเป็นอยู่ของพระสมัยหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดมีแม่มมาจากอเมริกาทํางานสถานทูตนะเป็นคุณนายของทูตเพราะนั้นแต่เป็นชาวสหรัฐเป็นคนฝรั่งนะ่ะชื่อแม่มอะไรหลวงพ่อก็จําไม่ได้แต่ชอบวัดและก็มาที่วัดป่าบ้านตาด มาเห็นพระต่างองค์ต่างเข้ามานั่งไม่คุยกันต่างองค์ต่างเข้ามานั่งประจำที่จากนั้นก็หลวงตาก็เป็นผู้พูดแล้วก็ให้พรพระทุกองค์ก็เงียบเขาเลยแปลกใจเขาก็ถามเอ้ ه, พระทำไมพระทะเลาะ ก, กันหรือเปล่าเนี่ยทำไมพระไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเลยต่างคงก็ต่างช่ยพระทะเลาะ ก, กันหรือเปล่าเขาไม่สบายใจ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 หลวงตาก็เลยอธิบายให้ฟังการเป็นอยู่ของพระพระต้องอยู่ในความสงบไม่คะนองอันนี้เป็นประเพณีมาตั้งแต่ครังพุทธกาลถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกเราจะเห็นในการเป็นอยู่ของพระสมัยหนึ่งพระสงค์ออกไปเที่ยววิเวกในป่าสาสองค์ด้วยกันสมัยนะั้นเวลาไปที่ไหนก็ไปเป็น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 ให้มีสติอยู่กับตัวเองให้เห็นความเกิดและความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาคือเห็นอันนีจ้จางทุกขังอนัตตานั่นน่ะคนนั้นพวกเราไม่ควรอยูนด้วยความประมาทต่ตางองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างเร่งความภาคเพียนของใครของเราเพราะนั้นใครจะชอบสถานที่ใดก็ไปเลือกให้โยมเขาทาให้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 พระที่อยู่เวรหรือ ว, ว่าพระที่รักษาการอยู่หน้าด่านตีละครั้งพระข้างในก็ออกมามาประชุมมหาลือบางทีอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีพระที่อยู่ด้วยกันอาจจะไม่สบายป่วยหรือมีปัญหาอะไรก็ตีละครั้งพอที่กินละครังก็ต่างองค์ต่างมาแต่นี้ก็ตั้งกฎกันเรียบร้อยแล้วก็ประจําที่แล้วท่นี่ภาวนาของใครของเราแต่วันนั้นอุบาสิกา โยมผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาก็อยากจะถวายพวกเพสัชคือน้ำอ้อยน้ำตาลพวกปนานะในโรงานเอพอเข้ามาเห็นพระเงียบเหมือนกับวัดล้างเหมือนกับสถานที่อย่างนั้นไม่มีพระเลยพระทั้ง3 0องค์ตอนเช้าก็เห็นก็เห็นพระแต่ว่าตอนเที่ยงตอนบ่ายไม่เห็นพระเลยท่านก็ถามโยมก็ถามว่าดิฉันจะถวายน้ำปนานะถวายเพสัชเนี่ยจะถวายได้ยังไง ไม่เห็นพระเลยมีเห็นพระองค์หนึ่งออกมานยท่านก็ไปครับผู้ชายพวกญาติโยมแหะสามสี่คนพระก็บอกว่าอเดี๋ยวธรรมาจะให้สัญญาณตีเคาะละครั้งปังปังปังปังปงปั ง, ปงจากนั้นพระทั้งหลายก็ออกมาออกม า, ออกมาคนละครั้งกันเหมือนนเถอะเดี๋ยวองค์นั้นออกมาเดี๋ยวนี้ออกมานั้นออกมาออกมาแต่ละครั้งแต่ละองค์ก็ไม่คุยกันพอออกมาแล้วก็นั่งประจําที่เรียงตามพรรษา จากนั้นเขาก็ถวายปานะพอถวายน้าเพศสัตว์เสร็จเรียบร้อยเขาก็เลยถามถามหัวหน้าเอพระคุณท่านมาอยู่ที่นี่ไม่สบายยะหรือเปล่าทำไมพอเห็นพระคุณท่านออกมาออกมาคนละคนละที่กันโยมเข้าใจว่าพวกท่านเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วมีการไม่เข้าใจกันทะเลาะ ก, กันใช่ไหมทำไมออกมาคนละทีกันแล้วออกมาก็ไม่คุยกัน ไม่เคยเห็นเดินออกมาพร้อมกันสององค์เลยออกมาคนละแห่งตะระข้างกันพระเทรกาอธิบายให้ฟังการเป็นอยู่ของพระโยมเขาเข้าใจจงผู้หญิงและจากนั้นว่ า, งง ท, าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านปฏิบัติอะไรท่านปฏิบัติอย่างไรพระเทร่ผู้ใหญ่ท่านก็บอกอธิบายให้ฟังว่าท่านพิจารณาอาการ32บแต่ละวันความเกิดความเสื่อมอาการ32ของร่างกาย เกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเกลือในกระดูก ม, าม้ามเข้าใจไรเรียงกันไปและจากนั้นก็แยกส่วนแบ่งส่วนออกมาสมมุติกองไว้คนอากองละกองออกมาเอามารวมกันามาเพิจารณากายานี่แหละท่านเห็นท่านเพิจารณากายของท่านให้ใจของท่านอยู่ในอาการ32อยู่ในกายนี้ตลอดอันนี้คือภาคปฏิบัติจิตใจจะเข้าสู่ความสงบ รู้แจง้งเห็นจริงนะครัว่าโยมผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่ายัางโยมเล่ทําได้ไหมได้เถอะละว่าได้โยมก็ทําได้ผู้หญิงผู้ชายทําได้ทั้งนั้นอ่ะไม่ได้เลือกพระเรื่องโยมปฏิบัติภาวนานจากนั้นโยมผู้หญิงนั้นก็เลยเรียนวิธีการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นวิธีการทํำยังไงยังไงจากนั้นโยมเขาก็เอาไปทํานะไปทําไม่กี่วันอนะ่ะอุปนิสัยเขาเขามีมาก่อนแล้วบุญบา ร, รมีของเขามี พอทำไปเขาได้สำเร็จเป็นพระนาคามีเลยได้บางไงพอได้สำเร็จเป็นพระนาคามีเนี่ยเขามีย า, าณทัศนะด้วยจ้นี่พอนั่งเขาไปเห็นหัวใจพระคิดเรื่องอะไรปุ่งฟุ้งซ่านอะไรเขาเห็นหมดบ้างไงอุบาสิกาคนนั้นพระคิดเรื่องอะไรเขาเห็นหมดแล้วก็มาคำนวณเอ๊ะพระเถระพระที่มาอยู่ที่วัดของเราเนี่ยท่านขาดอะไรวะ ทำไมท่านจึงภาวนาไม่ไปไม่มาทำไมท่านขาดอะไรท่านเป็นผู้มีอันจะกินเมื่อเป็นคราวดาเป็นถูกเศรษฐีพ่อค้าเมื่อมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้กันดานด้วยปัจจัยสี่โอ้ท่านคงจะไม่สับ ป, ประยะเรื่องอาหารจากนั้นท่านก็ยมอบอาสิกาคนนั้นก็แต่งเรื่องอาหารให้ฉันบ้โอน้นันขาดอันนี้โอนี้ขาดอันนั้นพระสงฆ์เมื่อได้รับออปัจจัยสี่ เป็นที่สัปปายะท่านก็เล่งภาวนาของท่านจนได้สำเร็จเป็นพระรหันต์ด้วยกันทั้งหมด30องค์นี่นะโอ้อุบาสิกาเป็นผู้มีพระคุณมากจากนั้นก็กลับไปกราบพระพุทธเจ้าก็เป็นเล่าความเป็นมาให้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเออดีดีแล้วอุบาสิกาเป็นผู้มีพระคุณตํานุาำรุงพระพุทธศาสนาแต่นีม่มีพระแก่อองค์หนึ่งอยู่ในนั้นอยากจะ ไปดเดยวอุบาสิกาคนนี้รู้จักยิงหรือเปล่าจากนั้นก็ไปทดลองดูงั้นกาปลาพุทธเจ้าไปทดลองอพอไปถึงอ๋ยอุบาสิกาอัตมามาเหนื่อยเหลือเกินขอให้คนมาช่วยปัดกาดให้โยมผู้ชายมาช่วยปัดกวาดด้วยเท่านถ้าไปถึงแล้วจะให้ปัดกวาดด้วยจัดเสนาสนะด้วยคงไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริงๆเดินทาง <c oughs> อุบาสิกาเขาจัดมาเรียบร้อยแล้วงั้ น, เน่เตรียมท้ากันแล้วอ้าว เขารู้จริงๆตัวเนี่ยพลวันเด้อจากนั้นก็ตื่นเช้ามาอีกโอ้ยอุบาสิกาไอธรรมาปิณฑบาตไม่ไหวล้ววันเนี้เดินทางมาไกลทา่านเตยชันข้าวต้มสักหน่อยก็ดีพลวันเด้อจากนั้นอุบาสิกานั้นก็จัดข้าวต้มมาถวายตอนเช้าอีกอ้าวเขารู้จักเราจริงๆว่ะจากนั้นวันอีกคิดอะไรเขารู้จักหมดเทยนี่คิดออกนอกลู่นอกทางเขารู้จักหมดพราะที่สุดพระแก้วนั้นอยู่ไม่ได้เปิดแหนบเรลวงั้นเถอะกลับไปหาพผู้เผยเจ้า พระรัชาเอาทำไมเธอจึงกลับมาเร็วนักโอไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุบาสิกาเนี่ยเขาเป็นตำรวจผมเป็นผู้ร้ายคิดอะไรออกไปเขาจับหมดเลยงั้นเลยอยู่ไม่ได้พอพระถูดโอง่งว่าเอ้ยอยู่อย่างงั้นแหละดีแล้ว เ, เขาจะช่วยไปกลับไปต่อไปนี่ท่านอย่าไปคิดไปทางอื่นสิให้อยู่ในใจตลอดสิว่าอย่างนี้ให้นึกพูดโทรอยู่ในใจตลอดอย่าไปคิดไปทางอื่นจากนั้นพรา อ, อันั้นกั พระพุธองค์บอกให้กลับก็ต้องกลับมากลับมาบาัดนี้เอาใหม่บัดพยายามดูใจตัวเองตลอดไม่ให้คิดเรื่องอย่างอื่นเลยให้ดูใจตัวเองพอดูใจตัวเองเท่านั้นแหละท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไมดไม่นานเหมนกลพอได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านั้นก็โอ้อุบาสิกาเนี่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับเรามากเวยนึกย้อนหลังไปแล้วบัดนี้ เออเมื่อวานนี่เป็นยังเมื่อก่อนเนีัไงวันนั้นเป็นยังไงวันหน้าเป็ น, ป, น, น, น ป, ปีหน้าปีหลังเป็นไล่ไ ป, ไไปงนั้นเถอะต่ละปีละปีถึงชาติที่เก้าสิบเก้าของท่านเหมือนชาติที่เก้าสิบเก้านี่ชาตินั้นเนี่ยท่านอุบาสิกาคนนั้นเป็นเป็นเมียของท่านมาก่อนพอเป็นเมียท่านนั้นชาตินั้นอ่ะอุบาสิกาคนนั้นฆ่าท่านเหมาอนนั้นเออผัวเมียทะเลาะกันเขาฆ่าพอด้ก่อนออกไปอไปไปสงสัยที่เพิ่นจะเป็นเจ้าชูม้มั่งดูท่านนะ <laughs> เขาฆ่ากันเถอะพอฆ่าใช่ไหมสะดุ้งเลยเหมือนกันขนาดเป็นพระหรหันต์นะเออเป็นพระหรหันต์อย่างสะดุ้งโถเราว่าอุบาสิกาคนนี้เป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราที่ไหนได้เขาฆ่าเราวะคนว่านี้เออเขาฆ่าเราวะชาติก้าสิบเก้านี่วะอุบาสิกาคนนั้นเขานั่งอยู่ที่บ้านเขาก็มองดูหัวใจพระ อ, อันนี้เหมือนกันนะท่านเป็นพระหรหันต์นก็มองท่านรู้ได้ก็ว่า น, นิรุตติรู้จัก การนึกคิดของพระองค์นั้นได้นั่นมองอยู่อุบาสิกาก็เลยส่งกระแสะจิตไปว่าท่านให้กําหนดเลยไปชาติที่ร้อยบาดนี้ก็เลยกําหนดไปชาติที่ร้อยโอ้ใช่เราฆ่าเขาวะเพราะฉะนั้นได้ผลวะเราฆ่าเขาว่าชาตินั้นพราะน่ะชาติต่อมาเขาฆ่าเราเออถ้าอย่างนั้นเกมกันนะจบกันจบกันไ อ, อไม่ต้องเอาเวียกันอีกหมดแล้วบาดเนี่ยผลวนะอ่ะ แตงั้นอาตมาลาธิพานและเรื่องบัตเนี่ยไม่มีอะไรแล้วะใครเขาว่าพระราหัน์เมื่อท่านสําเร็จเป็นพระรหันแล้วนะท่านมองดูเออเราจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างเราจะสอนประชาชนอย่างไงบ้างเรามีประโยชน์กับชุมชนญาติพี่น้องในอดีตชาติของเรามีอะไรบ้างถ้าท่านมองดูแล้วรอบดานของท่านแล้วท่านไม่มีอะไรที่จะมีเครื่องผูกพันหรือจะอบรมสั่งสอนใครแล้วนะท่านก็ลาธิพานเลยนี่แนหะพระราหารัน นิพพานได้ไง่ายๆเลยวางขันพรวดเลยก็จบเลยจิตออกจากร่างนี่ท่านเองนะเพอจิตเดินออกจากร่างนะี่ออกจากร่างท่านเองร่างนั้นก็อยู่ไม่ได้เลยเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยท่านไม่ได้อะไรตายยากกับร่างกายอะไรแบบนั้นเถอะอทิ้งภาชนะดินไปรับเอาภาชนะทองคําคือความบริสุทธิ์หลุดพ้น น, ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระในครั้งผู้พุพทธเจ้าของเราเนี่ย อยู่ด้วยความสงบไม่สูงสิงไม่คุยกันไม่เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาสนทนาปารบกันจนชาวบ้านเขาเห็นจนตกใจอย่างนั้นแต่คิดว่าพระทะเลาะกันพระโมโหให้กันพระโกรธกันไม่คุยกันอ่างนั้นอันนี้แหละพระในครั้งพระพุทธเจ้านี่คือพระต้องอยู่ในความสงบภาวนาดูจิตดูใจของตนเองอันนี้ก็คือเป็นแนวทางถึงว่าแนวภาคปฏิบัติสําหรับพระ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 สัพพโรขาวินิมุตตสัพสันตาปาวันเจตตสั